ทัวในครั้งหนึ่งว่าถ้าสมาธิหนักอย่างเดียวน้อมไปสมาธิมากจบที่ฌานสมาบัติถ้ามากด้วยวิปัสสนาพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกโดยส่วนเดียวเป็นต้นก็จะเข้าพระสมาบัติอันนี้พูดถึงเรื่องของพระอริยะแล้วนะแล้วก็จะเข้าอย่างนี้มาโดยลําดับออกจากทุติยฌ า, านเข้าเจริญวิปัสสนาจากเจริญวิปัสสนาเสร็จก็เข้าตัตยฌ า, านไล่อย่างนี้จนถึงอากินจัญญายตนะ ก็เจริญวิปัสนาเสร็จก็เข้าอากินออกจากอากินก็ทําบุพกรณ์บุพกิจเนี่ยนะทำบุพกิจเช่นการอธิษฐานหรือการอธิษฐานว่าจะเข้ากี่วันเนี่ยนะจะเข้ากี่วันหรือจะยังไงตรวจสอบอธิษฐานให้บริคารเข้าของยาถูกน้ําท่วมไฟไหม้ตรวจดูว่าอันตรายแห่งชีวิตจะมีไหมเป็นต้นเนี่ยนะเมื่อตรวจสอบเบ็ดเสร็จ ก็เข้าเนวะเนวะสัญญาถ้าเนวะสัญญา1ขณะหรือ2ขณะก็จะดับดับอันนี้เรียกชื่อว่าสัญญาเวทะยิตะนิโรธอัะนนะี้แปลว่าการนิโรธแปลว่าดับดับสัญญาและดับเวทนาก็คือดับจิตเจตสิก กี่ ว, วันน่ะสมมุติว่าเจ็ดวันถ้าดับเจ็ดวันน่ะเรียกว่าเข้านิโรธสมาบัติเจ็ดวันเนี่ยนะเนวสัญญาเกิดขึ้นก่อนแล้วแล้วก็จิตเจตสิกก็ดับเจ็ดวันแล้วจะออกมาอีกครั้งหนึ่งจะเป็นภะสมาบัติน่ออกมาที่ภะสมาบัติ ภระสมาบัติที่ออกเนี่ยแบ่งออกเป็นสองถ้าพระอนาคามีก็เป็นอนาคามีภระสมาบัติเนี่ยนะหนึ่งดวงหรือสองดวงเนี่ยนะหนึ่งดวงสองดวงหรือถ้าเป็นเนี่ยก็อรหัตผลอรหัตผลจิตเนี่ยนะเกิดหนึ่งดวงหรือสองดวงแล้วก็ตกภวังนี่ก็เป็นอันสิ้นสุดในการออกอ่าในสิ้นสุดในการออกนิโรธสมาบัติเนี่ยนะปกติเขาจะเริ่มเข้าตามลําดับอย่างนี้ อันนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าอนุปภาพวิหารสมาบัติหรือนิโรธสมาบัตินั่นเองเนี่ยนะ พ, พอสรุปใจความได้นะเอาใหมท่ทวนอีกครั้งหนึ่งคนที่จะเข้าสมาบัติได้ต้องพื้นฐานอย่างน้อยเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหันต์และต้องได้สมาบัติ8เนี่ยนะได้สมาบัติ8ชํชำนาญในสมาธิและวิปัสสนานนะั ตอนแรกก็ <Leben urs> เข้าปฐมฌานคือฌานที่1ออกจากฌานที <unhappy> ่1เจริญวิปัสนาพิจารณาองค์ฌานนั่นแหละว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนันตาเนี่ยนะเมื่อพิจารณาองค์ฌานเสร็จก็เข้าฌานที่2ออกจากฌานที่2ก็เจริญวิปัสนาพิจารณาฌานที่2พอพิจารณาฌานที่2เสร็จเข้าฌานที่3ออกจากฌานที่3ก็เจริญวิปัสนาในฌานที่3นะแล้วก็ออกจากฌานที่3ก็เจริญวิปัสนาเออไม่ใช่ เข้าฌานที่4ี่ออกจากฌานที่4ก็เจริญวิปัสสนาก่อนเจริญวิปัสสนาก่อนแล้วเข้าอากาสาออกจากอากาสาเจริญวิปัสสนาพอเจริญวิปัสสนาก็เข้าวิญญาวิญญาณจันทรยตนะเนี่ยแล้วก็เจริญวิปัสสนาพอเจริญวิปัสสนาเสร็จก็เข้าอากินจันยายตนะออกจากอากินจันยายตนะก็มาทำบุปกรณ์บุพกิจว่าตั้งใจว่าจะเข้ากี่วันกี่ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปตามนั้นไปพอทําอุปกรณ์บุพกรจเสร็จ จะเข้าในวาสัญญาหนึ่งหรือสองขณะจิตพอเข้าเสร็จก็หลังจากนั้นก็จะดับตามที่ตั้งอธิษฐานไว้เนีนะ่ยถ้าทุกอย่างสมควรหมดอธิษฐานอะไรไว้เรียบร้อยนะมันจะดับได้จริงแต่ถ้าพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะเข้าไม่ได้จะย้อนไปหาอากินตามเดิมจะเข้าไม่ได้นี้ก็เอาให้สมควรแล้วก็จะดับได้ดับได้ตามวันเวลาที่กําหนดก็จะออกด้วยพระสมาบัติแทนพระสมาบัติอันนี้จะมีนิพพานเป็นอารมณ์เนีย แต่ทางนี้ยังมีสังขารเป็นอารมณ์หมดเลยทางนี้ยนะมีสังขารมีบัญญัติมีประมาททั่วไปเป็นอารมณ์จนออกออกเสร็จแล้วเมื่อพระสมาบัติจึงมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะนั้นอารมณ์เขาเยอะมากเพราะนั้นคนที่เจริญสิ่งนี้นะต้องชานานถ้าอย่างเป็นฝั่งนี้เนี่ยต้องชานานในสมถานิมิตชื่อเขาเรียกว่าสมถานิมิตนี่เก่งมากในการตรารบที่จะเข้าสมาบัติ แล้วฝั่งนี้เนี่ยนะวิปัสนานิมิตคือตรายักษ์เนี่ยนะอันนี้ก็ต้องชํานาญมากในความไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาของสังขารทุกชนิดก็ต้องชํานาญแล้วก็ชํานาญนี่ต้องสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี น, นะสัมพันธ์กันแล้วก็มีการเข้าโดยลําดับเนี่ยนะในที่สุดก็เมื่ออธิฐานเข้าในวาสัญญาก็จะดับสัญญาและเวทนาได้เขาถือว่าไอการดับสัญญาและเวทนาเนี่ยเป็นทิฏฐธรรมนิพาน เนี่ยนะเป็นความดับในปัจจุบันที่ไม่มีอะไรจะสุขกว่านี้แล้วเนี่ยนะพระอริยะทั้งหลายท่านจะนิยมเข้ามากเสร็จแล้วถ้าเข้าอันนี้นะออกมาพร ะ, ะสมมาบัติออกมาเนี่ยถ้าใครมาทำบุญกับท่านผู้นี้เนี่ยนะประกอบไปด้วยนะเามีองค์ของเขาองค์ที่หนึ่งก่อนคือบุคคลเนี่ยเป็นพระอริยะองค์ที่สองงานในะ บุคคลนั้นเนี่ยมีศรัทธาที่เป็นเรียกว่าอสังขาริกเลยเป็นมหากุศลประเภทอสังคาริกดวงที่หนึ่งเนี่ยนะอสังคาริกดวงที่หนึ่งที่มีปัญญาประกอบสามก็ทายธรรมดีเนีย่ยนะทายธรรมแล้วก็ให้ทานแก่พระอริยะที่เข้าสมาบัติแบบนี้เนี่ยนะองค์ที่สี่ก็บุคคลนั้นเป็นพระอริยะด้วยเข้าสมาบัติด้วยก็สองข้อละ ถ้าถ้าออกมาเป็นบุคคลเนี่ยจะผลจะให้ภายในเจ็ดวันไม่เกินเจ็ดวันเน่นะเช่นว่าก็สามารถเป็นเศรษฐีได้ในเจ็ดวันนะนะเช่นนายปุณณนะหรือว่าใครกอันน่ะที่ที่ไถนาแล้วก็ที่ไถไว้เป็นทองหมดเลยนนเนี่ยนะก็คือนายปุณณนะคนหนึ่งแล้วก็คนอื่ น, อ, น, อ, นอื่นอี ก, กนะ ที่ที่แต่ต้องไปทํากับบุคคลที่ได้เงื่อนไขเหล่านี้นีตัวเองเนี่ยทายาทก็ต้องเป็นของที่บริสุทธิ์จริงๆมีอนาคตให้ก็ดีใจกําลังให้ก็ดีใจมีปัญญาประกอบเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมบุคคลนั้นต้องเป็นผ้านาคามีหรือพระ้าหันที่เข้าสมาบัติแบบนี้น ะ, ะที่จะทำจึงจะได้แบบนั้นแต่ทั่วๆไปแล้วผู้ที่จะทําแบบนี้โดยมากจะสงเคราะห์บุคคลประเภท ทุกขตาเนี่ยนะท่านทำอย่างนี้เพื่อจะสงเคราะห์ทุกขตะทั้งหลายอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยฉันอาหารของนางพระนางมารีกาเนี่ยนะแล้วก็บอกเลยยิ้มเลยว่าจะเป็นมเหสีของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยนะก็ฉันแป้งรําธรรมดาเนี่ยก็เป็นอัคารามหสีได้เลยถ้าผู้มีบุญนะ น, นะแต่ก็โดยมากทั่ ว, วไปเขาก็จะไปสงเคราะห์ผู้มีบุญ เพราะว่าคนทั่วไปไม่ใช่ว่าจะเห็นอย่างนี้แล้วจะศรัทธาจะให้ทานง่ายๆเนี่ยนะเพราะว่าคนที่ให้ทานแบบนี้โดยทั่วไปเป็นคนจนที่สละอาหารแม้กระทั่งมื้อนั้นตัวเองจะยอมอดเพื่อจะให้ทานคือพวกจะตายในเจ็ดวันนี้ก็คือดูยังไงก็จะตายอยู่แล้วก็ไปสงเคราะห์ให้ไปดีทน<ด>ั้นคือบางคนบางกลุ่มที่อนาคตยังไม่ตายนะ ก็มีคือบางคนเนี่ยยังไงถึงท่านจะไปหรือท่านไม่ไปก็ตายอยู่แล้วเนี่ยนะก็ไปจะได้จะได้ไปดีเหมือนกันเถอะไปสงข้อแบบนี้เพื่อจะได้ไปดีแทนนั้นอนุปภาพวิหารสมาบัติก้าเนี่ยท่านบอกว่าควรรู้ยิ่งอภินัยธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งพระภิกษุณีที่เก่งสมัยพุทธกาลคือท่านธรรมตินาเถรีเนี่ยนะ พระธรรมทินนาเทรีเนี่ยที่สามีเขาชื่อว่าวิสาขาอุบาสกวิสาขาอุบาสกเนี่ยไปฟังธรรมครั้งแรกบรรลุเป็นพระโสดาบันครั้งหลังฟังอีกบรรลุเป็นพระอนาคามีวันที่เป็นพระอนาคามีเนี่ยกลับไปถึงบ้านเนี่ยปกติแม่บ้านเขาจะมายื่นมือมาต้อนรับนะนี่ยก็รักกันมากนะแม่บ้านก็จะยื่นมือมาต้อนรับปกติก็จะยื่นมือไปให้กันรับกันนะนะเพราะวันนั้นเนี่ยท่านสำรวมมาก ไม่ให้รับอ่ะธัญญาก็เอะใจแล้วเอมเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราผิดอะไรปกติหรือเปล่าพอทานอาหารก็ทานแล้วก็ไม่เห็นคุยกันอะไรกันเลยอ่ะก็ผิดปกติก็เลยไปถามมาดิชันมีโทษอะไรเนี่ยเก็บอกว่าเธอไม่มีโทษอะไรหรอกมกันก็แต่ว่าชั้นเนี่ยบรรลุธรรมแล้วนะคือคือวิสาขาอุบาส่งนี่ก็บอกว่าถ้าไม่พูดนางจะตายเนี่ยเก็คือนางจะเสียใจมากเนี่ยเนีย ก็จะตายก็เลยบอกความจริงว่าบรรลุแล้วแล้วก็ถามว่าผู้ชายเท่านั้นหรือบรรลุบอกผู้หญิงก็บรรลุได้อะไรเงี้ยก็เลยก็บอกว่าถ้างั้นท่านก็ครองเรือนกันละกันฉันจะบวชอะไรเงีก็วิสาขาก็ให้นางบวชเนี่ยจัดงานบวชให้หญ่เลยพอบวชทีนี้ที่บ้านนั้นน่ยท่านญาติเยอะมากนะท่านธรรมทีนาเถรีเนี่ยท่านญาติเยอะมากท่านก็ก่็ไม่ต้องอะไรแล้วร่างรับแต่ญาตินะนีญาติเวียนกันมา คนละไม่กี่คนนี่ก็ไม่ต้องสมถะวิปัสนาอะไรแล้วทั้นก็เลยเลิกไปที่อื่นกับอุปชาของขั้นไปก็ไม่ถึงเดือนเนี่ยก็บรรลุเป็นผ้ารหัสกลับมากลับมานี่ก็สามีก็อยากจะลองดูเอ๊ะทาไมเรีบกลับจังอยากจะศึกหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนะก็ไปถามดูที่ทีนี้บัณฑิตทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่แบบตรงๆท่านอยากศึกหรือ ย, ยังก็ไม่คุยกันแบบนี้หรอกเขาก็เอาปัญหาธรรมะไปถามเนี่ยไง วิสาขะอุบาสกเนี่ยถามปัญหาโดยประการใดๆเนี่ยนางตอบได้หมดเลยเนี่ยนะ neuro. ตั้งตั้งกับปัญหาเริ่มแรกๆปัญหาเรื่องสากายะเป็นต้นเนี่ยนะธรรมทินาเทรีตอบได้หมดนะีวิสาขะอุบาสกก็ถามสูงสูงสูงสูงสูงก็ดูนะในจูรเวทละสูตรจูรเวทละสูตรที่ที่นางถามเนี่ยนะถามปัญหาชั้นสูงเกี่ยวกับนิโรธสมาบัติเก <possibly S 2> ี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ว่า เช่นนิโรธสมาบัตจะเข้าเข้าได้ยังไ ง, ไงหรือฌานสมาบัตจะเข้าเข้าได้ยังไงจะต้องอถ้านิโรธสมาบัตเข้าแล้วอะไรจะต้องดับก่อนอะไรจะต้องดับทีหลังอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังเนี่ยนะซึ่งอันนี้สําคัญมากทั้งในวิสุทธิมัติทั้งในที่อื่นๆเนี่ยอ้างคําของนางเป็นหลักเลยเนะที่ถามว่าแล้วคําของนางเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าที่พูดเนี่ยถูกทั้งหมดเพราะว่าวิส า, าขาอุบาสกไปถามพระพุทธเจ้าทวนอีกครั้งพระองค์ก็อนุมโมทนาว่า ธรรมทินาเทรีนี้เป็นเป็นผู้มีปัญญามากเนี่ยนะพยากรณ์อย่างที่พระ อ, องค์ว่าถ้าพระ อ, องค์จะแสดงเรื่องนี้พระ อ, องค์ก็ต้องแสดงแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยนมะันก็เลยอันนั้นเป็นผู้ต่อพจน์ไปด้วยอันผู้ที่จะเข้าพระสมาบัติหรือเข้านิโรธสมาบัติเป็นต้นก็ว่าไปตามสูตรนั้นสามีก็เป็นพระอนาคาเมีตลอดนะภรรยาก็ไม่กี่วันก็เป็นผ้าละหันเรียบร้อย ล, านายลยนะ น, นั่นนะเก่งมากเลยนะคุณเล่าว่นนะ โอ้ยไม่ไม่สร้างสมแล้วคู่เลิกสร้างเลิกสมกันหมดแล้วเลิกสร้างวัตตะเลิอกอะไรหมดแล้วไม่เอานะ <c oughs> คือผู้มีบุญอ่ะใช่แต่ว่าสร้างสมไม่ใช่ <c oughs> เลิกสร้างวัตตะกันหมดแล้ว <c oughs> นี่มาขึ้นอ น, นุปุพานิโรธอันนี้ก็คือดับตามลําดับอะนะสูตรก่อนก็คือเข้าโดยลําดับใช่ไหมอยู่ตามลําดับ อันนี้ก็นีโรดตามลําดับถ้าจะดับก็ต้องดับมาตามนี้แหละพูดถึงว่าปฐมฌานก็ดับกามมสัญญาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะจริงๆก็ต้องดับนิวรณทั้งห้านั่นแหละปฐมฌานดับนิวรณ์หุ้ติยะฌานดับวิตกวิจารตัติยะฌานก็ดับปีติจะตุทัฌานก็ดับลมอัศสาสะปัสสาสะอากาสานัญญายาตนะก็ดับรูปประสัญญารูปประสัญญาในที่นี้หมายถึงรูปฌานทั้งหมดวิญญาณัญญายาตนะก็ดับอากาสานัญญายาตนะ อากินจัญญายตนะก็ดับอากาษาอากินจัญายตนะดับปิญญาอนญจนยตนะเนเนวสัญญาก็ดับอากินจัญญายตนะส่วนสัญญาเวทายตานิโรธก็ดับสัญญาและเวทนาธรรมะทั้งหมดเนี่ยควรทําให้แจ้งเนี่ยนะควรทําให้แจ้งมากสัจชิกาตรตปธรรมเนี่ยนะเพราะว่าพระอรหันต์สมัยพุทธกาลเนี่ยนะในเถระคถาท่านทําได้ทุกรูป ในเทระคถ า, านี่นะเทรีคถ า, าทุกทุกรูปทำได้อย่างนี้หมดเลยนะนะเวลาอ่านในเทระคถาเ ท, าทรีคถ า, าให้รู้ว่าพระอรหันตเหล่านั้นมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนเนี่ยนะเก่งมากก็จบนะหมดเก้านี่นส่วนถ้าใครถามในแง่ปฏิบัติก็ไปปฏิบัติเอาคนเดียวเนี่ยนะเพราะว่า h o ก คุณธรรมชาตทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นอุตริมนุษสธรรมนัเนี่อุตริมนุสธรรมอุตรินี่แปลว่ายิ่งกว่าเนี่ยนะคุณอันยิ่งนะยิ่งกว่ามนุสธรรมทั่วทไปเพราะมนุสธรรมทั่วทไปก็คือกุศลกรรมบทเนี่ยนะคุณธรรมเหล่านี้เป็นอุตริมนุสธรรมและธรรมอันยิ่งกว่าของมนุษย์ทั่วไปทุกทุกข้อนะ ไอ้ทุกรูปเนี่ยผมหมายถึงอะไรเมื่อกี้หมายถึงพระอรหัน์ในเถระคาถาเทรีคาถาที่มาในเทระคาถาเทรีคาถาท่านทําได้กันหมดไม่ใช่ว่าทุกรูปสมัยพุทธกาลทําได้อย่างนี้หมดแต่หมายถึงว่าพระอรหันสมัยพุทธกาลที่มาในเทระคาถาและเถรีคาถาะที่พูดอย่างนี้หมายถึงอย่างนั้นใช่ทั้งเทระเทรีเนี่ยนะ ก็คือฌานเรียกว่าการปั ต, ติตัวนั้นแปลว่าถึงสังก็คือพร้อมนะถึงพร้อมก็แปลว่าเข้าได้จริงๆเลยอ่ะ ค, อคือเข้าเข้าได้จริงๆเข้าถึงจริงๆเหนะ็นไหมแล้วก็มีสิ่งนั้นจริงๆอ่ะเรียกว่าเป็นคนมีสมาบัติมาเงี้นเถอะเข้าได้อ่ะพูดถึงปฐมฌานประกอบไปด้วยวิตกวิจารปีติสุขที่เกิดจากวิเวกท่านทําได้เลยอ่ะนี่นึกอย่างเงี้ยเรียกว่าสมาบัติ คือนะแล้วก็ทําได้ก็ตั้งไว้เลยว่าจะเข้ากี่นาทีกี่ชั่วโมงกี่วันเนี่ยทาได้โดยที่ไม่มีผวังขั้นมีพอพอชวนะสิ้นก็ขึ้นอาวชนะชาวนะสิ้นขึ้นอาวชนะรับแต่เรื่องนี้อย่างเดียวไม่มีผวังขั้นเลยไอย้ยางงั้นก็เรียกว่าเข้าสมาบัติถ้าอุปจาระสมาธิเนี่ยมันจะมีผวังขั้นบ้างแต่ฌ า, านสมาบัติไม่มีผวังขั้นเลยว่าเข้าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่มีผวังขั้นตลอดหนึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยนะ อนอาวัชนะสิ่งนั้นต้องคิดอย่างนั้นบ่อยจนชํานาญจริงๆอะนะจิงจะอาวัชนะจึงน้อมไปเพื่อจะรับรู้อารมณ์ันั้นได้ตลอดนี่แปลว่าโหตื่นตัวอยู่ตลอดเลยนี่มาขึ้นธรรมะหมดสิบเลยนะธรรมะที่มีอุปการะมากก่อนพระโอการะธรรมเนี่ยนะธรรมที่มีอุปการะมากถ้าเป็นในอังคุตระนิกายนี้พระองค์ตรัสว่าถ้าหากว่าผู้ที่ไม่มีที่พึ่งเนี่ยอยู่เป็นทุกข์ใช่ไ ผู้ไม่มีที่พึ่งนี่อยู่เป็นทุกข์เั้นพระองค์จึงสอนให้มีที่พึ่งอยู่นะคำว่านาถะการณธรรมเนี่ยนาถะก็แปลว่าที่พึ่งภาษาไทยไทยเราที่เราเวลาอ่านพระตไตรปดกเรียกว่าพระโลกกนาตก็มาจากนาทะเนี่ยโลกกนธาตนธาตัวนั้นแปลว่าที่พึ่งพระโลกกนธาตก็คือผู้เป็นที่พึ่งของโลกอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระโล ก, กนาตก็คือผู้เป็นที่พึ่งของสัตว์โลกเนี่ยนะแต่นี้หมายถึงธรรมะนะนาทการณธรรมรมที่เป็นที่พึ่ง นะมาดูว่าถ้าผู้ที่มีธรรมะสิทธิ์อย่างเป็นที่พึ่งนี่ก็แหมแสดงว่ามีที่พึ่งที่ดีจริงๆเนี่ยนะข้อแรกก่อนนะว่าดูก่อนิสูุทั้งดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายพิกูุในพระธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาฏิโมกข์ถึงพร้อมด้วยมัญญาและโคจรอยู่มีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิคาบททั้งหลาย ผู้มีอายุทั้งหลายแม้ข้อที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลสำรวมระวังในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจร อ, อยู่มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในศิขาบททั้งหลายนี้เป็นธรรมะกระทำที่พึ่งก็มีที่พึ่งอันแรกก่อนใช่ไหมคือศีลคำว่าปาติโมกเนี่ยนะปาติโมฆะโมฆะนี่แปลว่าพ้นใช่หปฏิก็คือตกไปเนี่ยนะ ทำให้พ้นจากการตกไปอ่ะตกไปไหนก็ตกไปอบายสี่เพราะนนั้ผู้ที่รักษาปาฏิโมกจริงๆแล้วก็คือรักษาตัวเองให้อยู่ในสุขติป้องกันไม่ให้ตกไปในทุกคติเนี่ยนะมันก็รักษาสุขติเอาไว้นั่นเองเนะปาฏิโมกของคาราวาสก็เท่าไหร่ห้ากับแปดนะห้าแปดห้าแปดก็วันธรรมดาก็ควรห้านะวันอุโบสถก็แปดคุณเวลาวันได้ยังแปด นะคงเริ่มตั้งแต่วันพระหน้าเนี่ยนะเนี่ยหมดแล้วไม่ใจไม่อะไรเลยไม่ปล่อยเเออนี่ยแหละเนี่ยวันพระหน้าเนี่ยไม่กี่วันนะวันอุโบสถหน้านี่เริ่มเลยอุโบสถที่หนึ่งเนี่ยนะทานอาหารได้เที่ยงกว่านิดนิดนะนะสิบสองกว่านิดนิดใช่ไหมก็เอาเลยอา้าวล้วก็ทานตั้งแต่มือเที่ยงใช่ไหมเย็นก็ก็หิวก็น้นําปานะไว้สักกล่องหนึ่งเตรียมไว้เลยเนี่ยนะ ก็นี่พระท่านก็มือเดียวกันทั้งนั้นแต่ท่านก็อยู่ได้ของมาก็มือเดียวแต่ฉันสองรอบคือคําว่าเ e อกปติโกเนี่ยนะมันแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มือเดียวแบบทุดงอันนะกลุ่มมือเดียวทุดงก็คือบอกว่านั่งอาสนะเดียวแล้วก็รอบเดียวแล้วก็เลิกกันเลย อ, นะอันนี้เขาเรียกว่าทุดงนะไม่ไม่ใช่เ e อกปติโกแต่หมายถึงทุดงเขาเรียกว่าเอกอาสนะเนี่ยนะคืออาสนะเดียว ส่วนเอกกับพัตติโกในในพระไตรปิฎกที่เราเห็นเห็นหมายถึงว่าช่วงเช้าช่งวงเที่ยงเนี่ยนะช่วงนี้ถ้ายังบริโภคช่วงนี้ก็เรียกว่าเอกกัพัตติโกมีพัดหนเดียวเรียกว่ามีพัดหนเดียวเนี่ยนะคืออาจจะชั้นหลายครั้งก็ได้เห็นไหมในพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนทวัตกริใช่ไหม ถ้าเธอไปบินธบาตเธอก็เหลืออาหารไว้ในบาทแล้วก็ก็ฉันอีกอีกรอบหนึ่งอ่ะนะถ้าเธอกลัวจะหิวตอนเย็นอ่ะนะมีอยู่สูตรหนึ่งที่พระ อ, องค์แนะนาําว่าก็ไปบินธบาตก็เหลืออาหารไว้ในบาทแล้วก็มาฉันก่อนเที่ยง อ, ะอนน่ะนะก็ก็ฉันอีกครั้งหนึง่งอย่างนั้นก็ยังชื่อว่าพักหนอนเดียวอยู่ส่วนอ่าส่วนที่เรียกว่านั่งอาสนะเดียวแล้วถ้าลุกไม่ฉันอีกเลยกลุ่มนี้หมายถึงรักษาทุดงแล้วต้องไว้อยู่ในบาทหรือว่าเอาออกนอกบาทได้อ่ามีอยู่ อีกทุดดงอีกคนละข้อกันว่าภาชนะเดียวอันนั้นอีกข้อนหนึ่งกลุ่มภาชนะเดียวเนี่ยก็ทุกอย่างรวมหมดนะนะก็ทุกอย่างลงภาชนะเดียวหมด ท, ท, ที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยหมายว่ามือเดียวเนี่ยเอ่อมือเดียวหมายก็ว่าเราไปบิบาตมาได้ อ, อยู่ในบาตรใช่แล้วฉันแล้วส่วนที่จะเหลือไว้อีกก็ไม่เกี่ยวกันเอาไว้อยู่ข้างนอกก็ได้ไม่ไม่เกี่ยวกันไม่ไม่จาเป็น อันนี้นี่กลุ่มกลุ่มเรียกว่าปกตินะหมายถึงรักษาศีลปกติเนี่ยที่ที่ไม่ใช่วิการเนี่ยนะแต่ว่ากลุ่มทุดงเนี่ยไม่เป็นอย่างนั้นทุดงเนี่ยคือหนึ่งอาสนะเดียวอันนี้หนึ่งข้อแล้วนะเขาบอกว่าถ้าลุกขึ้นแล้วไม่มีฉันอีกแล้วก็มีแบบนี้แล้วมีบางพวกภาชนะเดียวคือบางคนอาสนะเดียวแต่หลายภาชนะแต่บางคนอาสนะเดียวด้วยภาชนะเดียวด้วยที่เขาเรียกว่าฉันสัมรวมเนี่ยนะ ก็มาคลุกลงหมดนะนะที่เรียกว่าอาหารเว้นแต่น้าเนี่ยที่เหลือเทลงมารวมกันหมดนะนะั่นแหละนี่ยนะกลุ่มนี้เรียกว่าภาชนะเดียวเนีย่ยนะไม่ไม่มีภาชนะอื่นเป็นที่สองเลยนะีตัดภาชนะที่สองออกไปก็อาสนะเดียวกับภาชนะเดียวเนี่ยนะคนละทูดงกันคนละข้อส่วนมือเดียวเนี่ยคำว่ามือเดียวในพระพิสูจนก็ไม่ได้อันนี้ไม่เกี่ยงอะไรเพียงแต่ว่าขอบเขตก็อย่าอย่าให้เลยเที่ยงนะเนี่ยนะก็เอาแค่ตรงนั้นเป็นเกณฑ์ อาจจะไปชั้นที่ไหนก็ได้ชั้นบ้านโยมก็ได้ชั้นยังไงก็ได้นนะเพียงแต่ว่าอาหารนั้นต้องไม่ขัดกับผิดพระปะ ต, ติโมกข์อื่นๆไนะก็ต้องเข้าไปเข้าองคนะ์อันนั้นอันในทุดงเนี่ยเป็นวัดเป็นวัดแต่ว่าเป็นวัดที่อยู่ในกลุ่มศีลนะพระองค์ก็ไม่ได้บังคับอะไรว่าจะต้องทุกองค์จะต้องทำอย่างนั้นแต่นะ ก, ก็แล้วแต่ว่าผู้ใดสั ป, ปายะแต่พระองค์ก็สรนเสริญเรื่องการ ขัดเกลวเนี่ยนะเรื่องการสันโดษแต่ก็ตําหนิกลุ่มที่อาศัยสิ่งเหล่านี้แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งการโอ้อวดก็ตําหนิอยู่อันทอง์ก็แสดงไว้ทุ ด, ดงแต่ละอย่างก็มีอยู่4ประเภทนะถือเพราะความฟุ้งซ่านก็มีถือเพราะความโง่เขาก็มีถือเพราะเอาเยี่ยงอย่างนะปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็มีบางคนก็ถือเพราะเห็นโทษของกิเลสเนะี่ยแล้วก็มุ่งจะปฏิบัติขจัดกิเลสออกไปก็มีหลายประเภทนะเพราะศีลก็มีตั้งหลายกลุ่มเชินพ่อ เอกภพติโกเนี่ยเป็นภาษาบาลีที่ว่าพระทั่วทั่วไปจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดฉันเอกภพติโกในในพระสูตรเนี่ยนะในมัชฌิมนิกายอะ่ะก็แสดงถึงว่าฉันผลเดียวอะ่ะคำว่าเอกภพติโกฉันมือเดียวอ่ะนะคำว่ามือเดียวเนี่ยหมายถึงว่าช่วงเช้าแล้วก็ไม่เกินเที่ยงนี่ก็เรียกว่ามือเดียวในในช่วงนี้อ่ะนะฉันสองมือครับไอสองมือเนี่ยมันเป็นศัพท์ไทย จริงๆ อ, อ่ะชันพัดมือเดียวแต่สองรอบอนั่นไงเถอะคือฉันหลายรอบได้ในอัตลัท่านบอกว่าเป็นร้อยก็ได้อ่ะชันเป็นร้อยรอบก็ได้คือขอให้อยู่ในช่วงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยอย่าเลยนี่ก็แล้วกันเนี่ยนะส่วนพวกทุดงเนี่ยนั่งอาสนะเดียวอย่างเดีย ว, ยยวก็ก็ตรงเนี้ยคืออาภาหรือไม่อาภาถ้าจะรักษาทุดงก็ว่าไปตามทุดงถ้าจะไม่รักษาทุดงก็ว่ามาตามศีล แต่ว่าไอ้เลยศีลตาเนี่ยไม่มีถ้าต่ำกว่าศีลก็สึกแค่นั้นนะ่ะก็ไม่มีอะไรก็ลาศีลกั น, เ, นเรียกว่าละลาศึกก็มาจากคําว่าลาสิกขาก็คือลาศีล น, นั่นเองว่าประพฤติศีลไม่ได้แล้วก็ลาไปกินข้าวเย็นอะไรก็ว่ากันไปะศีลแปดยังไม่ได้เลยจะว่าศีลปาติโมกอะไรเลยเนะลากินข้าวเย็นได้แล้วเนี่ยทีนี้ต่อไปว่าศีลเนี่ยห้ามอบายใช่ไหม รักษาอย่างน้อยสุขคติคืนละผู้ที่มีศีลอย่างนี้นะมีที่พึ่งยังไงที่พึ่งเขาคือตำหนิตัวเองไม่ได้ผู้อื่นพิจารณาแล้วก็ตำหนิไม่ได้เนี่ยนะแล้วก็ตัวเองนึกแล้วก็ไม่กินแหนงแคลงใจตัวเองตอนั้นก็ผู้ที่รักษาศีลอย่างนี้ก็จะนำมาซึ่งความไม่เดือดร้อนเนี่ยนะนำมาซึ่งอวิปปิสารนำมาซึ่งปราโมทย์ปีติปสัสสธิสุขสมาธิ แล้วก็ประโยชน์โลกนี้ก็จะเห็นชัดนะนั่คือปัญหาเรื่องราวเนี่ยนะทั้งหลายที่เกิดอยู่ในโลกเกิดจากการไม่มีศีลไม่ใช่เกิดจากศีลเมื่อไม่มีศีลมันจึงมีปัญหาวุ่นวายทั้งหลายแหล่นะที่ออกหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยคือผิดศีลไม่ใช่อยู่ในศีลเห็นไหมถ้าอยู่ในศีลปัญหาเหล่านั้นไม่มีหรอกพราะนั้นทิ้งศีลเนี่ยจึงเลยหมดที่พึ่งเลยนะหมดที่พึ่งก็อย่างว่าที่พึ่งโลกนี้ก็เสียหาย โลกหน้าก็ไม่ต้องกล่าวถึงแล้วโดยเฉพาะฐานแห่งที่พึ่งอย่างยิ่งคือที่เพื่อจะนิพพานเนี่ยไม่ใช่ฐานะเนี่ยนะอันนี้เป็นที่พึ่งของชีวิตอันดับแรกจริงๆแล้วศีลเนี่ยเป็นชื่อของอะไรศีลระณะใช่ไหมสมาทานังกายวาจาไม่เกลื่อนกล่นกระจัดกระจายอุปทารนางรองรับกุศลธรรมชั้นสูงเนี่ยนะกิจของเขาก็คือกำจัดความทุศีลถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจที่ไม่มีโทษ ความสะอาดกายวาจาใจาเป็นอาการปรากฏมีฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้ส่วนที่สำคัญนะถ้าใครรักอยากรักษาศีล น, นะให้นึกรักษาฮิริโอตปะเอาไว้ก่อนเป็นอันดับแรกเพราะฮิริโอตปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีลเนี่ยนะ